เวลาเช้าเช้าเป็นเวลาที่เหมาะนะจากการฟังธรรมช่วงบ่ายไม่ค่อยเหมาะช่วงบ่ายเป็นเวลาที่พวกเราสลึมสลือละงั้นวันนี้หลวงพ่อมาเทศแต่เช้าถ้าใครตื่นเช้าก็ได้ฟังละถ้าเคยฟังหลวงพ่อเทศแล้วก็เราจะพบว่าสิ่งที่หลวงพ่อสอนเป็นเรื่องที่ตรงไปตรงมาที่สุดละ เปิดเผยไม่ได้มีอะไรลึกลับเลยถ้าเราเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกนะชีวิตเราจะเปลี่ยนในเวลาอันสั้นเราเคยหลงโลกเคยทุกข์มากๆเคยทุกข์นานนมันจะเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตทุกข์ก็สั้นลงทุกข์ก็น้อยลงศาสตร์ของพระพุทธเจ้านะีประณีตลึกซึ้งมาก แต่ไม่ลึกลับพวกเราสามารถรู้ตามเห็นตามคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ถ้าเราได้ยินได้ฟังธรรมะแท้ๆโดยเฉพาะธรรมะในภาคปฏิบัตินะถ้าเราได้ยินได้ฟังรู้วิธีปฏิบัติแล้วเราลงมือทําในเวลาไม่นานหรอกชีวิตจิตใจเราจะเปลี่ยนความทุกข์จะน้อยลงจะสั้นลง ลำพังการทำทานการถือศีลการทำสมาธิอะไรนี่มันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าการทำทานถือศีล น, นั่งสมาธิาศาสนาอื่นก็มีไม่ใช่เรื่องอาจซจั์อะไรนักหนาแต่สิ่งที่มีเฉพาะในคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นคือการเจริญปัญญาการเห็นความจริงของรูปนามกายใจ ถ้าพวกเราไม่รู้เรื่องการเจริญปัญญาไม่รู้เรื่องการรู้ความจริงของรูปนามกายใจก็เท่ากับเรายังไม่ได้รับประโยชน์จากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านันเราจะเป็นชาวพุทธได้เต็มภาคภูมินะแล้ต่เมื่อเรารู้เรื่องของวิปัสสนากรรมฐานแล้วรู้วิธีที่จะรู้รูปนามตามความเป็นจริง ลำพางการทําทานคนใจดีก็ทําได้การถือศีลศาสนาอื่นเขาก็มีศีลแบบของเขาการนั่งสมาธิหรือสีชีไพรเขาก็นั่งศา ส, สนาอื่นเขาก็มีสมาธิเงั้นจุดที่แตกหักนะว่าเราจะได้ประโยชน์เต็มที่ไหมจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็าคือรู้จักการเจริญปัญญาหรือไม่ การจุดนี้เป็นจุดสําคัญพวกเราต้องเรียนถ้าไม่เรียนเราไม่มีทางรู้คนที่จะรู้วิธีเจริญปัญญาได้ด้วยตัวเองมีสองจำพวกเท่านั้นคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระปัจเจกาพพุทธเจ้าลําพางอย่างพวกเราส่วนใหญ่ก็เป็นสาวกถัดจากสาวกก็ไปเป็นมนุษย์ผู้ปร า, ารถนาลามกแล้วปรารถนาของอื่นไม่ใช่สาระแก่นสารล้ว การเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจนะเรียนไปเพื่ออะไรพระพุทธเจ้าท่านสอนชัดเจนนะว่าถ้าเรารู้เราเห็นตามความเป็นจริงเราจะเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายไปเพื่ออะไรเบื่อหน่ายเพื่อจะคลายความยึดถือคลายความยึดถือไปเพื่ออะไรเพื่อจิตจะได้หลุดพ้นหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสที่มันห่อหุ้มจิตใจอยู่ พวกเราไม่มีอิสระแล้วพวกเราทุกคนถูกขังอยู่อาสวะกิเลสนั้นมันย้อมจิตมันขังเหมือนเปลือกห่อหุ้มจิตอยู่เป็นเปลือกบา ง, บางคๆคล้ายๆเปลือกถั่วลีสงอะไรเงี้ยบางๆเราเมองแทบไม่ออกเลยเป็นเหมือนเยื่อบางๆหุ้มจิตใจเราอยู่กิเลสหยาบๆก็ เ, เหมือนเปลือกถั่วอะไรเงั้ยไปตราบใดที่อาสวะกิเลสยังอยู่นะกิเลสมันก็ยังไหล ซึมซ่านเข้ามาสู่จิตใจเราได้ถ้าจิตใจยังถูกกิเลสซึมซ่านเข้ามาอยู่จิตใจยังปรุงแตง่งจะดิ้นรนไปจิตใจปรุงแตง่งการหยิบฉวยเอารูปประธรรมนามธรรมหยิบฉวยเอาตาหูจมูกเล่นกายใจมาเป็นตัวเราของเราก็มีถ้า ห, หยิบฉวยเอารูปนามขึ้นมาแล้วก็ว เ, เอาความทุกข์ขึ้นมา แต่ถ้าเราเข้าใจการปฏิบัติอย่างแท้แท้แล้วสิ่งที่เรียกว่าทุกเรียกว่าทุกนั้นคือรู ป, ปรนามเรานี่เองนี่ยากมากเลยที่ใครต่อใครจะเห็นว่ารูปนามนี้คือตัวทุกเราเห็นแต่อาการปรากฏของทุกอย่างพระพุทธเจ้าท่านสอนเบื้องต้นธรรมะท่านก็จะบอกว่าความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ ความพลาดพลาดจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์การประสบสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์ความไม่สมปรารถนาเป็นทุกข์เนี่ยสอนเพราะว่าคนทั่วไปเข้าใจได้แค่นี้สอนแค่นี้ก่อนสุดท้ายท่านถึงจะบอกว่าโดยสรุปขันทั้งห้าคือตัวทุกข์นั้นไม่ค่อยสอนง่ายๆเพราะว่ายากที่จะเข้าใจเราเห็นแค่อาการปรากฏของทุกข์เรายังไม่เข้าถึงตัวทุกข์แท้ๆ ท่านชี้อาการปรากฏของทุกข์อย่างความแก่ความเจ็บความตายเป็นอาการปรากฏของทุกข์ทางร่างกายความพลัดพรากจากสิ่งที่รักการประสบสิ่งที่ไม่รักความไม่สมปรารถนาความขับแค้นใจเหี่ยวแห้งใจความโศกร่ำไรลำพันธ์สิ่งเหล่านี้เป็นอาการปรากฏของทุกข์ทางใจสิ่งที่เรียกว่าทุกข์จริงๆคือรูปนามกายกระใจนี้ตาหากนั่นมันแสดง ความทุกข์ให้เราเห็นด้วยอาการต่างๆที่ว่ามาแล้วอย่างร่างกายแสดงความแก่ให้ดูมันก็สอนธรรมะเรานะมันสอนความไม่เที่ยงให้ดูร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยให้ดูมันก็สอนธรรมะสอนความทุกข์ให้ดูร่างกายมันตายมันก็สอนธรรมะนะสอนว่ามันไม่ใช่ตัวใช่ตนที่แท้จริงไม่ใช่ของอมตะ เนะี่ยความแก่ความเจ็บความตายก็แสดงอันนี้จังทุกขังอนัตตาจิตใจเ็าเหมือนกันนะมีแต่ความไม่เที่ยงแปรปรวนตลอดเวลาความแปรปรวนแสดงความไม่เที่ยงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแนะจิตใจก็แสดงการบังคับไม่ได้ให้ดู เราสั่งมันไม่ได้นะสั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วไม่ได้เนี่ยแสดงอนัตตาให้ดูพวกเราต้องค่อยๆเรียนค่อยๆเจริญปัญญาเพื่อวันหนึ่งเราจะเห็นความจริงว่ารูปนามกายใจนี้แหละคือตัวทุกข์ที่แท้จริงเป็นของไม่ใช่ของดีของวิเศษเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเป็นของที่บังคับไม่ได้อยู่นอกเหนืออำนาจ ถ้าเห็นได้เราถึงจะปล่อยวางได้ถ้าไม่เห็นทุกข์ไม่มีทางปล่อยขันลงไปได้เลยไม่มีทางปล่อยรูปนามลงไปได้เลยการเห็นทุกข์ไม่ใช่การฝึกตัวเองให้มองโลกแง่ร้ายว่าโลกนีม้มีแต่ความทุกข์บางคนเข้าใจผิดบิดเบือนคำสอนของพระพุทธเจ้านะปรามาตว่าศาสนาพุทธนี่เป็นศาสนาของพวกมองโลกแง่ร้ายเก็สอนแต่เรื่องทุกข์เรื่องทุกข์ ถ้าพระพุทธเจ้าสอนแต่เรื่องทุกข์อย่างเดียวเนี่ยพระพุทธเจ้ามองโลกแง่ร้ายแต่ท่านสอนวิธีดับทุกข์ด้วยนั่นไม่ใช่การมองโลกแง่ร้ายหรอกเป็นการมองโลกอย่างที่โลกเป็นโลกนี้มันทุกข์จริงๆแต่ก็ท่านสอนวิธีที่จะพ้นจากมันด้วยเนี่สิ่งที่เราจะต้องพัฒนาขึ้นมาก็คือสิ่งเหล่านี้แหละเรามารู้ความจริงของรูปธรรมนามธรรมาให้มากๆเห็นรูปธรรมนามธรรมาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็ น, ปนานตตาได้ จิมันจะปล่อยวางความยึดถืออย่างพอจิตมันไม่ยึดกายร่างกายจะแก่ใครแก่ร่างกายแก่ไม่ใช่เราแก่เวลาเราร่างกายเจ็บใครเจ็บร่างกายเจ็บไม่ใช่เราเจ็บเวลาจะตายใครตายร่างกายตายไม่ใช่เราตายมันไม่เกี่ยวอะไรกับเราสักอย่างเดียวเงั้นร่างกายใจแก่จะเจ็บจะตายซึ่งคนในโลกทุรนทุรายจิตไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยเพราะมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรา หรือจิตใจจะเปลี่ยนแปลงมีความสุขแล้วก็มีความทุกข์มีความดีแล้วก็มีความชั่วหมุนเวียนไปเรื่อยๆจิตที่รู้ความจริงก็จะไม่หลงไหลไม่ใช่เจอความสุขก็หลงละเริงไปเพลิดเพลินพอใจในความสุขเจอความทุกข์ก็เศร้าหมองจิตที่มีปัญญาแล้วเจอความสุขก็ไม่หลงระเริงไม่หลงยินดีเจอความทุกข์ก็ไม่หลงยินร้ายเป็นอิสระจากความยินดียินร้าย จิตใจที่อิสระจากความดีดีชิตายมีความสุขที่มหาศาลและจิตใจที่มันไม่อิสระนันจะดิ้นรนอย่างเราชอบใจใครสักคนหนึ่งอยากจะจีบเขาเนี่ยใจก็มีความทุกข์แล้วดิ้นรนจีบเขามาได้แล้วก็ต้องรักษาเขาไว้อีกหนึ่งก็ต้องลำบากไม่ว่าจะได้อะไรมานะเราก็ได้ภาระติดมาด้วยทุกครั้งไปบางคนอยากมีลูก เมุขแต่เจ้าบอกว่าบัณฑิตไม่ปรารถนาบุตรเราอยากมีลูกนะไปทำกุ้งทำกิฟหาทางให้มีมีลูกชื่อนอกชื่นใจชื่นใจอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่ภาระตามมาด้วยงิ่งจิตที่ไปยึดถือนะั้นไม่ว่ายึดอะไรก็ทุกข์พร้อนนั้นแหละสิ่งที่เรายึดมั่งที่สุดก็คือตัวเราเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็ประกอบด้วยกายด้วยใจนี่เอง งั้นถ้ากระทั่งกายกระใจเราเห็นความจริงแล้วไม่ยึดในโลกนี้เราจะไม่ยึดอะไรอีกแล้วปล่อยได้หมดเลยปล่อยที่ตัวเองเนี่เองปล่อยที่จิต ด, ดวงเดียวนี้แหละจะปล่อยโลกทั้งโลกได้ปล่อยโลกทั้งโลกได้ไม่มีอะไรกระทบกระทั่งเข้ามาถึงจิตใจได้อีกต่อไปแล้วจิตจะเข้าถึงสภาวะที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งได้แล้วมนจะพ้นทุกข์อย่างเด็ดขาดไปเลยนี่ทํำยังไงเราจะสามารถเห็นความจริงของรูปนามกายใจได้ เราจะเห็นความจริงของรูปนามไก่ใจได้นะมันมีเงื่อนไขสองเงื่อนไขอันหนึ่งต้องไม่เผลอไปไม่ใจลอยรู้จักใจลอยไหมใจลอยนี่คือศัตรูหมายเลขหนึ่งเลยในขณนะที่เราใจลอยนะเรามีร่างกายเราก็ลืมร่างกายเรามีจิตใจเราก็ลืมจิตใจมันลืมตัวเองอย่างเราดูบอลเชีย์บอลนะในขณะนั้นนักบอลวิ่งยังไง ร, รู้หมดเลยนะ นักบอลเตะผิดเราโมโหเราไม่เห็นเราโมวแต่ดูไอ้คนนี้ไม่ดีไอ้คนนี้เตะลูกได้เข้าโกได้เราถูกใจเราไม่เห็นว่ากำลังถูกใจอยู่เราไปเห็นแต่นักบอลที่เราชอบเนี่ยเรามม่แต่เห็นของข้างนอกนะเราไม่เห็นจิตใจของตัวเองใจเราหนีไปอยู่ที่อื่นเพราะฉั้นสิ่งแรกที่พวกเราจะต้องฝึกฝน เพื่อให้เราสามารถเห็นความจริงของรูปนามได้ก็คือต้องมาฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวถ้าจิตใจไม่อยู่กับ เ, เนื้อกับตัวลืมเน้ลืมตัวมันจะไปเห็นกายเห็นใจได้ยังไงมีร่างกายมันก็ลืมกายมีใจมันก็ลืมใจดงั้นพวกเราจะต้องรู้สึกตัวให้ได้อย่าให้ใจมันล่องลอยหนีเป็นตลอดเวลาคนในโลกน้ำใจลอยใจลอยตั้งแต่ตื่นจนหลับใจลอยวันละครั้งครั้งเดียวคือตั้งแต่ตื่นจนหลับไม่เคยรู้สึกตัวเลย ถาเรามาหัดภาวนาเราจะใจลอยบ่อยแต่ใจลอยไม่นานใจลอยแวบไปเรารู้สึกขึ้นมานะก็ตื่นขึ้นมาเดี๋ยวใจลอยใหม่รู้สึกอีกก็ตื่นขึ้นมาอีกวันหนึ่งใจลอยได้ตั้งร้อยครั้งพันครั้งยิ่งใจลอยบ่อยเท่าไหร่นะยิ่งดีสแสดงว่าตื่นบ่อยถ้าใจลอยวบาระครั้งก็คือไม่เคยตื่นเลยสักครั้งเดียวงั้นเรียนกับหลวงพ่อเท่าที่หลวงพ่อสำรวจพวกเราดูคร่าวๆ ก็ถือว่าพวกเรามีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเป็นส่วนมากแล้วใจอยู่กับตัวเองมีร่างกายมีจิตใจให้รู้สึกอย่างขณะนี้นั่งอยู่รู้สึกไหมเนี่ยเห็นไหมตัวอะไรนั่งอย่าไปจ้องมันนะแค่เห็นแค่รู้สึกกรรมฐานนะแค่เห็นเอาแค่รู้สึกเอาเห็นด้วยใจเห็นด้วยปัญญาไม่ได้เห็นด้วยตาเราก็รู้สึกเอาลองยิ้มซียิ้มห ว, วานหวานยิ้มให้มีความสุข วันนี้อากาศดีไม่หนาวเกินไม่ร้อนเกินยิ้มให้มีความสุขเห็นร่างกายมันยิ้มไหมเนี่ยเราเห็นด้วยใจนะลงไปยักหน้าสิยักหน้านะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวไหมใจเราเป็นแค่คนดูนะฝึกอย่างนี้ค่อยๆฝึกไปเวลาเราฝึกนะเราก็เวลาใจมันหนีไปหน่อยให้รู้ไวถ้าอยากจะรู้สึกตัวเร็วอยากให้จิตใจอยู่กับเนื้อกตัวเนี่ย อย่าไปจงใจถ้าจงใจแล้วก็รู้สึกตัวแต่รู้สึกตัวปลอมใจมันจะแข็งแข็งไม่สบายหรอกถ้าเราอยากรู้สึกตัวให้เป็นนะต้องทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งต้องทำนะแต่ว่าวันหนึ่งทำสัก15หนาทีเท่านั้นแหละไม่ขอมากวันหนึ่ง15หนาทีไหว้พระสวดมนต์ซสองส3นาทนะีไม่ต้องสวดจน15หานาทีนะไหว้นิดหน่อยสวด น, นิดหน่อยนะ พอเราลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พอเรา ล, ลึกแล้วเราก็มาทํากรรมฐานสย่างหนึ่งกรรมฐานอะไรก็ได้ที่เราถนัดถนัดพุดโทโธก็พุโทโธแต่ไม่ได้พุโทโธให้จิตนิ่งพุโทโธแล้วคอยรู้ทันจิตเวลาจิตมันเผลอไปมันหลงไปเวลาเราพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปบางทีจิตนีไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยเราก็จะได้รู้ไหวว่าอา้าวแกลืมพุโทโธไปละเราจะได้รู้ว่ามันหนีไปแล้วจะได้ไม่หนีนาน ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเพื่อจะได้ไม่หลงยาวไม่ให้หนีนานเท่านั้นเองไม่ใช่ไม่ให้หนีเลยถ้าจงใจไม่ให้หนีเลยนะผิดนะเช่นอยู่กับพุโทโธไม่ให้หนีเลยจ้องอยู่ที่พุโทโธได้สติได้สมาธิแบบเพ่งจ้องจะเดินปัญญาต่อไม่ได้งั้นทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเมื่อทํากรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วให้รู้ทันจิตตนเอง จิตนีไปให้รู้จิตนี้ไปให้รู้จิตเคลื่อนไปจะเคลื่อนได้สองลักษณะเคลื่อนไปคิดนึกปรุงแต่งอันหนึ่งนะกับเคลื่อนไปจ้องอันหนึ่งอย่างเราหายใจธรรมานาปนสติคนธรรานาปนสติเยอะนะแต่ทำแบบไม่ค่อยมีสติหรอกทำไม่ค่อยเป็นหรอกอย่างธรมานาปนสตินี่เกือบร้อยลร้อยเลยนะไปเพ่งลมหายใจจ้องอยู่ที่ลมเอาสติจับอยู่ที่ลมถ้าอย่างนั้นจะได้กระสิน กสินลมคือท้ายนจะกลายเป็นแสงกลายเป็นกระสินแสงเล่นไปเรื่อยๆก็ได้ฌานเข้าฌานไปมันไม่ต่อขึ้นไม่ปรัชนาจริงหรอกเราทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งจุดสําคัญไม่ใช่เพื่อน้อมจิตให้ไปอยู่กับกรรมฐานานั้นๆแต่ทํากรรมฐานอย่างหนึ่งขึ้นมาเพื่อรู้ทันจิตเวลามันหนีไปจากกรรมฐานานั้นนั้นจะปลักตัวที่ให้แม่นนะแล้วเราจะง่าย อย่างเราอยู่กับพุโทโธแล้วไม่ให้จิตหนีไปเลยเยเครียดหรืออยู่กับลมหายใจให้จิตอยู่กับลมถ้าอยู่ไม่เป็นก็เครียดอยู่เป็นที่ก็สบายเพลินลืมเนื้อลืมตัวไปเลยแต่ถ้าเราฝึกแล้วคอยรู้ทันจิตเนี่ยเราจะได้สาระแก่นสารที่แท้จริงถ้าไม่ได้จิตมไม่ได้ปฏิบัติธรรมจริงหรอกแล้วเอาเอาจิตไปปฏิบัติต่างหาก งั้นเราทำการามฐานนะเช่นเราพุโทโธพุโทโธไปแล้วคอยรู้ทันจิตไม่ใช่พุโทโธให้จิตนิ่งอยู่กับพุโทโธจิตนี้ไปคิดรู้ทันจิตไหลไปอยู่ในความว่างรู้ทันแล้พุโทโธพุโทพโธจิตใจว่างๆขึ้นมาให้รู้ว่าจิตไปอยู่ ว, ว่างเวลาเรารู้ลมหายใจอย่าไปจ้องอยู่ที่ลมหายใจนะหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าหายใจเป็น ถ้าหายใจแล้วก็เพ่งอยู่ที่ลมหายใจนั่นก็ทาอนาปานสติไม่ถูกหลักแล้วมันกลายเป็นเพ่งลมเพ่งลมมีมาก่อนพุทธเจ้านะพวกฤาษีชีไฟเขาก็เพ่งเพ่งจนกระทั่งลมดับนะแล้วก็เพ่งเอารูปต่อไปเข้าถึงฌานแปดพุทธเจ้าบอกไม่ใช่ทางเพราะอะไรมันไม่ไม่ได้จิตนะไม่ได้สติไม่ได้จิตไม่ได้สมาธิเนี่ยเอาอะไรไปเดินปัญญาเนี่ยจิตไหลไปซะแล้วจิตไปสลบอยู่กับอารมณ์ันเดียวซะแล้ว แล้วเราอยัางรู้รมหายใจแล้วเราค่คอยรู้ไปเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูขณะ น, นี้ร่างกายหายใจอยู่รู้สึกไหมแค่รู้สึกแค่รู้สึกว่าร่างกายกําลังหายใจอยู่แล้วเห็นไม้มร่างกายที่หายใจอยู่นี่เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าค่อยๆฝึกอย่างนี้นะมันจะได้จิตที่เป็นคนรู้ขึ้นมาจิตผู้รู้จิตที่เป็นผู้รู้คือจิตที่มีสมาธิที่ถูกต้องนั่นเอง พระจิตมันเป็นผู้รู้ได้แล้วคราวนี้มันจะเห็นรูปนามแสดงใจรักได้แล้วถ้าจิตไม่เป็นผู้รู้จิตเป็นผู้เพ่งซึมกระตืออยู่กับทีนะ่ใช้อะไรไม่ได้หรอกยิ่จิตหลงไปเลยยิ่งเป็นอกุศลซี่องั้นเราอย่างเราลมหายใจนะเราเห็นร่างกายหายใจไปทำใจสบายๆก่อนจะรู้ลมหายใจให้ยิ้มหวานซะหนึ่งครั้งเนี่ยเคล็ดลับนะก่อนจะฝึกสมาธิฝึกจิตฝึกใจของเราเนะีให้มีความสุขซะก่อนเพราะความสุข เป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิถ้าเริ่มด้วยความเคร่งเครียดสมาธิไม่เกิดออกเอายิ้มหวานเนีย่ยรู้สึกไหมพอทันทีที่เรายิ้มนะั้นใจมันจะคลายใจมันจะเปิดออกนะแต่ถ้าเราตั้งใจมากนะใจจะม้วนเข้ามาข้างไหนเครียดเลยคึบใจมันจะกลับข้างเข้ามาข้างไหนเวลายิ้มหวานใจมันจะเปิดออกใจมันเปิดออกแล้วใจมันกว้างขึ้นมาแล้วนะ เราใช้ใจที่กว้างๆใช้ใจที่สบาย oyu, เนี่ยเห็นร่างกายมันหายใจรู้ไปอย่างสบายๆเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูเปสบายๆแล้วคราวนี้ถ้าถ้าจิตมันหนีไปที่อื่นมันลืมร่างกายมันลืมร่างกายที่กำลังหายใจอยู่เนะี่ยเราจะได้รู้ทันไวๆนะเช่นเราเห็นร่างกายหายใจ <î cinco. S 2> ไปสบายๆแล้วจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วอ้ามันลืมการหายใจไปแล้วลืมร่างกายที่หายใจ จะกลับมารู้สึกตัวได้เร็วไม่ลงนานไม่ลืมนานเพราั้นทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งไม่ใช่เพื่อให้จิตไปนิ่งอยู่กับกรรมฐานอนั้นแต่ทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งเพื่อจะรู้ทันจิตจะดูท้องพองยุบก็ได้จะดูท้องพองยุบแล้วถ้าจิตไหลไปอยู่ที่ท้องก็เป็นสมถะไปเพ่งอยู่เฉย ถ้าดูท้องฟองยุบแล้วบังคับไม่ให้เผลอเลยจะเครียดที่สติแตกกันก็เพราะเรื่องนี้บังคับมากเกินไปเครียดดีไม่ดีบ้าไม่ว่าทํากรรมฐานอะไรนะถ้าทําผิดเก็เหมือนกันนะถ้าทําถูกก็ใช้ได้เหมือนกันหมดอรูปแบบไม่สําคัญเท่าไหร่อยู่ที่ว่าจริยนิสัยเราเหมาะกับกรรมฐานอะไรเราก็ใช้อันนั้นแหละแต่แล้วทําแล้วคอยรู้ทันจิตไว้ดูท้องฟองยุบ่็รู้ทันจิตไปเห็นท้องฟองเห็นท้องยุบอย่าดูที่ท้อง ให้เห็นร่างกายพองให้เห็นร่างกายยุบเหมือนอย่างเวลารู้ลมหายใจอย่าไปดูที่ลมให้ดูทั้งตัวนี้แหละเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าเวลาดูท้องพองยุบก็อย่าไปดูที่ท้องให้เห็นร่างกายพองให้เห็นร่างกายยุบใจอยู่ต่างหากใจเป็นคนดูถ้าเมื่อไรใจไปดูท้องพองยุบนะใจไปเกาะ อ, อยู่ที่ท้องเป็นสมถะเนี่ยจับหลักให้แม่นนะเราคำมัฐานอะไรใช้ได้หมดเลยไม่ต้องมานั่งเฉียงเลยว่าสายไหนดีกว่าสายไหน ถ้าทำถูกใช้ได้ทุกสายถ้าทำผิดใช้ไม่ได้สักสายนะมันอยู่ที่จิตต่างหากถ้าจิตถูกแล้วกรรมฐานอะไรก็ถูกหมดเลยถ้าจิตผิดกรรมฐานอะไรวิเศษแค่ไหนก็ผิดหมดเลยนะงั้นอย่าทำกรรมฐานเพื่อบังคับจิตให้ทำกรรมฐานแล้วรู้ทันจิตจิตหนีไปก็รู้จิตไปไหลไปเพ่งก็รู้ตรงที่จิตหนีไปเรารู้ทันน่จิตหนีไปเพราะอะไรจิตนีไปด้วยอานาจของอกุศลนะของความฟุ้งซ่านอุทจจัก นีไปทางตาหนีไปทางหูหนีไปดูหนีไปฟังหนีไปดมกลิ่นหนีไปลิ้มรสหนีไปรู้สัมผัสทางกายหนีไปคิดนึกทางใจเรื่องํานาจของความฟุ้งซ่านทั้งสิ้ น, นมันฟุ้งไปถ้าเมื่อไหร่เรามีสติรู้ทันจิตที่ฟุ้งไปความฟุ้งซ่านจะดับอัตโนมัติเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสนี่เป็นกฎของธรรมะเรารู้จักเอากฎของธรรมะข้อนี้มาใช้ในการปฏิบัติจะง่าย แต่ถ้าเราบังคับตัวเองมีความโลภอยากจะดีบังคับตัวเองคอยจ้องอยู่สติตัวจริงไม่เกิดเพราะในขณะนั้นความโลภมันเกิดนั้นทํากรรมฐาน น, นทํำด้วยใจที่สบายๆแล้วค่อยรู้ทันจิตไปจิตฟุ้งซ่านจิตหนีไปเรารู้ทันทีที่รู้ความฟุ้งซ่านจะดับสมาธิจะเกิดแล้วสมาธิกับความฟุ้งซ่านนั้นมันตรงข้ามกันสมาธินั้นเป็นความตั้งมั่นไม่ไหลไปโดยที่ไม่ได้บังคับไว้ ส่วนความฟุ้งซ่านนะเป็นกิเลสนะมันลากเข้าไปลากจิตเราวิ่งไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจวิธีที่จะฝึกให้เกิดสติสั่งให้สติเกิดไม่ได้เพราะสติเป็นอนัตตาสติเกิดจากอะไรสติมีทีระสัญญาคือการที่จิตจําสภาวะได้แม่นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดนี้เราจะให้เกิดสติรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านเราก็ต้องหัดดูจิตที่ฟุ้งซ่านบ่อยๆ งั้นเราหายใจไปพูดโทไปดูท้องพองยุบไปขยับมือทำจังหวะไปกรรมฐานอะไรก็ได้แล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันฟุ้งซ่านมันหนีไปหัดรู้บ่อยๆวันแรกอาจจะรู้ได้ไม่กี่ครั้งต่อไปจะรู้ได้ทีขึ้นทีขึ้นพอรู้มากเข้ามาเข้านะต่อไปจิตจะจำสภาวะของความฟุ้งซ่านได้แม่นเพรอจิตมันฟุง้งมันเคลื่อนออกไปเท่านั้นเองสติจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะสติมันเกิดจากทีราสัญญา การที่จิตจําสภาวะได้แม่นจิตจําสภาวะได้แม่นเพราะจิตเห็นสภาวะบ่อยเราอยากให้สมาธิเกิดเราต้องการขจัดความฟุ้งซ่านออกไปเรามีสติรู้ทันความฟุ้งซ่านรู้บ่อยๆแล้วต่อไปพอความฟุ้งซ่านเกิดสติจะเกิดเองเพราะสติเกิดเองสมาธิจะเกิดเอง <S 2> <S 2> เรียนกับหลวงพ่อนะมันจะเป็นอัตโนมัติไปหมดนะต่อไปอศีลสมาธิปัญญาจะอัตโนมัติหมดเลยไม่ได้สั่งให้เกิดมันเกิดเองถ้าสั่งให้เกิดเนี่ยโลภะมันสั่งให้เกิด แต่ถ้าเรามันเกิดเองคือเราทําเหตุของมันค่อยๆฝึกไปเบื้องต้นเนี่ยแค่แนะนําให้ทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วค่อยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจนจิตมันจําสภาวะที่เคลื่อนได้แม่นพอเคลื่อนปั๊บสติจะเกิดอัตโนมัตินะพอสติเกิดจิตที่ฟุง้งซ่านจะดับจะเกิดจิตที่มีสมาธิขึ้นมาแทนเห็นไหมวิธีฝึกสมาธิของหลวงพ่อไม่ใช่เป็นั่งหายใจแล้วก็น้อมจิตไปอยู่ที่ลมนะ ไอ้นั่นสมาธิอย่างนั้นก็ดีเหมือนกันเอาไว้พักผ่อนหรือดูท้องฟองยบจิตไปอยู่ที่ท้องนั่นเอาไว้พักผ่อนกอนเพ่งเป็นสมถกรรมฐานมีมาก่อนพระพุทธเจ้าพวกนั้นแต่คอยรู้ทันจิตนี่แหละเรียกว่าจิตศิกขาในที่สุดเราจะได้อะไรถ้าทําจิตสิกขาที่ถูกต้องเราจะได้สมาธิที่ถูกต้องที่เราชอบพูดเนยจะฝึกอะไรฝึกศีลสมาธิปัญญา เข้าใจผิดแล้วที่เราฝึกอะไรเราฝึกศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาตา่างๆเราฝึกตรงนี้ฝึกแล้วเราได้อะไรมาได้ศีลได้สมาธิที่ถูกต้องได้ปัญญานะทำไมสติไม่มีคําว่าที่ถูกต้องสติถูกอยู่แล้วปัญญาถูกต้องอยู่แล้วไม่ต้องมีคําว่าถูกต้องแต่สมาธิต้องมีคําว่าถูกต้องเพราะสมาธิเนี่ยเป็นองค์ธรรมที่เกิดร่วมกับกุศลก็ได้เกิดร่วมกับอกุศลก็ได้ต้องระวัง ไม่ใช่ว่ามีสมาธิแล้วจิตจะดีเสมอไปนะพวกมหาโจรจะยิงคนนะ่ยมีสมาธิดีนะไม่งั้นมันยิงผิดแล้วสมาธิเนี่ยเป็นเกิดกับกุศลก็ได้เกิดกับจิตที่ป็นอากุศลก็ได้งั้นเวลาพูดต้องมีคำย้ำลงไปว่าสมาธิที่ถูกต้องนะสมาธิที่ถูกต้องเป็นยังไงก็คือภาวะแห่งความตั้งมั่นของจิตไม่ใช่สงบนะสงบนั้นเป็นสมาธิทั่วๆไปมันก็สงบอยู่ในอารมณ์เดียว ส่นความตั้งมั่นของจิตเนี่ยจิตมันจะถอนตัวขึ้นมาเป็นคนดูเพราะฉั้นเราต้องฝึกกรรมาฐานสักอย่างหนึ่งทุกวันขอแค่15นาทีเท่านั้นแหละไม่ขอมากถนัดพุดโทโธก็ใช้พุโทโธถนัดรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจเห็นร่างกายหายใจไปถนัดดูท้องพองยุกก็เห็นร่างกายพองยุกไปถนัดเดินจงกรมก็เห็นร่างกายมันเดินไปบางคนถนัดนอนนะมีเหมือนกันแต่น้อยนะ ถ้าตามสถติที่บรรลุในอิริยาบถนอนนี่มีน้อยที่สุดงั้นเราก็อย่าไปหวังว่านอนมากๆเราจะได้มันยากส่วนมากนอนแล้วมันขาดสติง่ายอยู่ในสามอิริยาบถยืนเดินนั่งนะบ่อยๆนอนเมื่อจําเป็นง่วงแล้วก็ไปนอนงั้นยืนเดินนั่งเนี่ยทำกรรมฐานอย่างเดียวกันคือรู้ทานจิตไปอย่างเรารู้ลมหายใจนะให้เราบิดมันไปก่อน อย่างถ้าเรารู้ลมหายใจนะร่างกายมันนั่งอยู่แล้วมันหายใจเราก็เห็นร่างกายมันนั่งหายใจเวลาเดินเราก็เห็นร่างกายมันเดินหายใจเวลายืนเราก็เห็นร่างกายมันยืนหายใจเห็นไปอย่างนี้แล้วใจเป็นคนดูแล้วถ้าใจหนีไปเรารู้ใจหนีไปเรารู้ฝึกอย่างนี้ให้มากเลยตรที่ใจหนีไปเรารู้สมาธิจะเกิดสมาธิเกิดปุ๊บเราจะเห็นต่อไปอีก ร่างกายที่หายใจอยู่นั้นเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าและจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูแลเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นคนดูแลมันจะเห็นว่าร่างกายกับจิตนียเป็นโคนละอันกันอันนี้เรียกว่ามีปัญญาแยกรูปนามได้ยกนามรูปปริเฉทายานนามรูปปริเฉษทายานไม่ใช่เห็นว่าท้องพองก็อนนึ่งท้องยุบก้อนหนึ่งนะอันั้นมันรูปกับรูปนามรูปก็คือรูปมันเคลื่อนไหวนามมันเป็นคนรู้ฝึกอย่างนี้ค่อยๆฝึกไป ทำอย่างที่หลวงพ่อบอกทํากรรมาฐานสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้ที่เราถนัดแล้วค่อยรู้ทันจิตที่ไหลไปจิตก็จะตั้งมั่นมีสมาธิขึ้นมาอย่างเราเดินเดินจงกรมหรือเรานั่งสมาธิอยู่นะหรือเรารู้ลมหายใจอยู่หรือเราขยับมืออยู่ยางเงี้ยพอจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาแล้วมันจะเห็นทันทีเลยร่างกายที่กําลังขยับเนี่ยไม่ใช่เรามันเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเอายิ้มหวาน ยิ้มแล้วรู้สึกไหมร่างกายยิ้มเอาพยักหน้าหน่อยเห็นไหมร่างกายพยักหน้าเนี่ยค่อยๆฝึกไปค่อยๆเล่นไปบนะเล่นๆไปแล้วไม่นานเราจะเห็นว่าร่างกายกับจิตเนี่ยคนละอันกันร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งนะจิตอยู่ส่วนหนึ่งนะค่อยๆฝึกนะค่อยๆฝึกไปถ้าฝึกอย่างที่หลวงพ่อบอกนะจะได้รวบยอดเลยนะเดี๋ยวเราค่อยรู้ทันจิตที่เคลื่อนรู้ทันจิตที่เคลื่อนเราได้สมาธิที่แรกจะได้สติก่อน ตรงที่รู้ทันจิตที่เคลื่อนจนจิตจําสภาวะที่เคลื่อนได้แม่นสติก็เกิดพอสติเกิดความฟุ้งซ่านก็ดับความฟุ้งซ่านดับสมาธิก็เกิดใจก็ตั้งมั่นขึ้นมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดตัญญาแต่ต้องสมาธิที่ถูกต้องนะสมาธิที่ผิดไม่ทําให้เกิดตัญญาตอนหลวงพ้าเด็กๆหลวงพ้าก็คิดนะว่าสมาธิทําให้เกิดตัญญาตั้งแต่เจ็ดขวบนั่งสมาธิตลอดเลย นั่งกำหนดลมหายใจนั่งรู้ลมหายใจนี่แหละจนลมมันดับกลายเป็นแสงดูแสงแล้วเล่นโน่นเล่นนี่ไปเลยไม่เห็นมันจะเกิดปัญญาตรงไหนเลยไม่เห็นความจริงของรูปนามหรอก ไ, ได้แต่ความสงบได้แต่ของเล่นของจริงไม่มีเลยต้องมาเจอหลวงปู่ดูลนะถึงรู้ว่าโอ้สมาธิมันมีหลายแบบเนาะแล้วท่านสอนให้รู้ทันจิตของตัวเองนนั้จิงตั้งมั่นขึ้นมา จิตตั้งมั่นขึ้นมาโอ้เวลาที่ทําสมาธินะบางคราวจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้อย่างนี้เลยแต่เราไม่รู้ว่าสําคัญเราไม่ได้ให้ความสําคัญกับสภาวะแห่งการรู้เราก็ไปให้ความสําคัญกับสภาวะสงบมุ่งไปที่สงบไม่ได้มุ่งที่รู้พอมาฝึกนะักรู้ทันจิตที่เคลื่อนรู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตจะตั้งมัน่นรู้ผู้ดูสอนว่าอย่าส่งจิตออกนอกนี่คือประโยคแรกเลยที่ท่านจะสอนคนทั่วๆไปอย่าส่งจิตออกนอกให้จิตส่งออกนอกให้รู้ทัน จิตน อ, อกนอกก็คือจิตที่ไหลไปนั่นเองถ้าจิตไหลไปเรารู้ทันสมาธิก็เกิดพอสมาธิที่ถูกต้องเกิดมันจะเห็นเลยว่าร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเรานะร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้ไปเห็นเข้าต่อไปก็ดูได้ละเอียดขึ้นไปอีกว่าความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเรามันเป็นสิ่งที่จิตไปเห็นเข้าขณะ น, นี้ใครเมื่อยตรงไหนบ้างมีไหม เราะว่าเมื่อทุกคนอ่ะเพราะว่าถ้านั่งตรงนี้จะเห็นพวกเราไม่มีใครอยู่นิ่งสักคนนะเราจะทำไมต้องทำอย่างนี้อ่ะเพราะมันทุกข์มันเมื่อยแล้วเราก็ขยับหนีทุกข์ไปเรื่อยๆนะแต่เราไม่เคยสังเกตตัวเองว่ า, วาร่างกายเนี้ยมีความทุกข์ตามบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเราโมแต่แต่ทำกรรมฐานนั้นอื่นสมหมดเลย เราไม่ทํากรรมฐานทีร่รู้สึกกายรู้สึกใจอย่างที่กายเป็นอย่างที่ใจเป็นถ้าเราทําเป็นนะใจเราอยู่กันเนื้อ ก, กับตัวมันปวดมันเมื่อยเราจะเห็นนะได้ เ, เห็นว่าความปวดความเมื่อยก็อยู่ส่วนหนึ่งนะร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งนะจิตก็อยู่อีกส่วนหนึ่งจะเห็นอย่างนี้นะนี่ปวดเมื่อยมากๆจิตชักทุรนทุรายนะกังวลอย่างนั่งสมาธิปวดเมื่อมากนะที่กิเลสหลอกเรานะสอนเราซะอีกนะกิเลสเนี่ยร้ายมากเลยบอกให้เปลี่ยนอิริยาบถซะอย่านั่งนาน นั่งนานเนี่ยคือการทรมานตัวเองเป็นอัตตะกิลมัฐานโยกนะอย่าไปนั่งนานไปนอนซะดีกว่าเนี่ยเราอยู่จำลองชีวิตด้วยความไม่ยึดถืออะไรเราก็จะบราารลุพระรหันต์เออไปนอนซะไม่ต้องยึดถืออะไรเนะนี่ยมันหลอกเอานะมานมันหลอกเอานะอย่าไปเชื่อมันนะคอยรู้สึกตัวยิ้มหวานก่อนตอนนี้รู้สึกแบบเครียดเกินไปแนละ้วยิ้มยิ้มยิ้มหวาน ยิ้มอย่างมีความสุขยิ้มกับสายลมและแสงแดดทํากรรมฐานให้ดีนะยิ้มกับสายลมแสงแดดได้้อนะใจมันมีความสุขอพอใจตอนนี้ใจมีความสุขแล้วเห็นไหมร่างกายร่างกายยิ้มอยู่รู้สึกไหมจะค่อยๆฝึกไปนะแล้วต่อไปความปวดเมื่อยมันแทรกเข้ามาตรงไหนมันก็เห็นเองแหละมันปะวดมันเมื่อยแล้วขยับได้ไหมขยับได้ ให้รู้ซะ ก, ก่อนว่าวเมื่อไเต็มทีแล้วก็ขยับเปลี่ยนสนยักหน่อยเออสบายสบายไปสักพักหนึ่งเมื่อไอีกละก็ขยับอีกเราจะเห็นเลยนะวันๆห น, นึ่งเราขยับหนีความทุกข์ตลอดเวลาเลยสุดท้ายปัญญามันก็ปิ๊งขึ้นมาร่างกายเนี้ยมันทุกข์ทั้งนั้นเลยมันถูกความทุกข์บีบขั้นอยู่ตลอดเวลาเลยทีแรกก็มันถูกบีบขั้นเบาๆแล้วค่อยแรงขึ้นแรงขึ้นจนทนไม่ไหวก็ต้องเปลี่ยนอีกอย่าบหนเนี่ยค่อยๆรู้อยู่ในร่างกายก็ยเห็นไม่แต่ก่อนทุกไม่เห็นจะวิเศษ ต, ตรงไหนเลย ดูจิตดูใจก็เห็นแต่ของไม่เที่ยงเห็นแต่ของบังคับไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้นะมีแต่ของบังคับไม่ได้มีแต่ของไม่เที่ยงดูในกายก็มีแต่ของเป็นทุกข์มีแต่ของไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุกายนั้นแสดงทุกขังอนัตตาชัดแสดงอนิจจังยากหน่อยรูปมัอ า, ายุยืนรูปมัอ า, ายุยืนกว่าน้า นา ม, มันเกิดชั่วขณะนั้นก็ดับไปรูปมันมีอายุมากกว่านามดูอันนี้จังดูยากหน่อยแต่ดูทุกขังเนี่ยดูง่ายความทุกข์มันบีบคั้นรูปนี้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยฝึกอย่างนี้นะเรียกว่าเจริญปัญญาเห็นไหมที่หลวงพ่อสอนวันนี้นะคือฝึกให้มีสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนต้องทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนเราจะได้สติรู้ทันขึ้นมาเพราะสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนปั๊บ ความเคลื่อนจะดับความฟุ้งซ่านจะดับสมาธิจะเกิดจิตใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเห็นจิตใจมันเคลื่อนไหวเปลีป่ยนแปลงใช่เราเป็นคนดูกายกับใจก็แยกออกจากกันสุขทุกข์ดีชั่วก็แยกออกไปถ้าแยกไม่ออกนะขึ้นวิปัสสนาไม่ไหวหรอกถ้าแยกรูปแยกนามไม่ได้ขึ้นวิปัสสนาไม่ได้ใจขึ้นวิปัสสนาได้ก็แยกรูปแยกนามนี่บางคนแยกแล้วก็จะดู แล้วแต่ถนัดถนัดรู้รูปก็รู้รูปไปถนัดรู้นามก็รู้นามไปอย่างคนที่ถนัดรู้รูปเนะีพระพุทธเจ้าไม่อยสอนเรื่องอายตนะหตาหูจมูกลิน้นกาย5อย่างนี้เป็นรูปใจอันเดียวเป็นนามพวกถนัดรู้นามท่านจะสอนเรื่องขัน5นะ้ารูปเป็นรูปอันเดียวเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนามเนะื่ยความถนัดของคนแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนชอบรู้เยอะๆทั้งรูปทั้งนามท่านก็สอนเรื่องธาตุธาตุสิบแปธาตุตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโปรตพาธธรรมารมวิญญาณที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างละหกหกหกอย่างเต็มไปด้วยรูปหลายอย่างนามหลายอย่างนะนี่สําหรับพวกชอบเยอะๆถ้าพวกชอบเยอะๆในทางดูจิตนี่สอนเรื่องอินทรีย์ยี่ตัวอินทรีย์2ีตัวส่วนใหญ่จะเป็นนามนะ เห็นธรรมพวกที่ฉลาดลึกซึ้งมากบารมีสูงท่าสอนปฏิจจสมุบาัติจัสมบาทไม่ใช่เรื่องพูดเล่นนะพูดเล่นเล่นมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรขึ้นมาต้องเห็นเนาะต้องเห็นกระบวนการทํางานที่จิตปรุงแต่งความทุกข์ขึ้นมาต้องเห็นแต่ไม่ว่าเราทำกรรมฐ า, านอะไรนะสุดท้ายก็จะมาลงที่ปฏิจจสุบาทได้จะมาเห็นอันเดียวกันนี้แหละ จะเริ่มจากการดูกายดูเวทนาหรือดูจิตสุดท้ายก็จะมาแจ้งในปฏิจจสุบตัติแต่ความแตกฉานจะไม่เท่ากันหรอกล้างกิเลสไปเหมือนเหมือนกันนะแต่ความรู้ความเข้าใจที่จะอธิบายหยิบยกขึ้นมาไม่เท่ากันเพราะภูมิของสาวกแต่ละองค์ไม่เท่ากันอย่างพระสารีบุตรเนี่ยแตกฉานที่สุดในบรรดาสาวกที่อธิบายปฏิจจสุบัทได้ดีได้เก่งในเรื่องอริยสัจนั่นเองนะ ถึงได้เป็นอัคระสาวกเบื้องขวามีปัญญากแก่กล้าที่สุดพัมโมคคลาก็เก่งแต่อธิบายได้ไม่เท่าพระสารีบุตรแต่ถามว่าความบริสุทธิ์เหมือนกันไหมความบริสุทธิ์เหมือนกันเท่าๆกับพระพุทธเจ้าเลยซ้ำไปแต่ความรู้ความเข้าใจนั้นต่างกันพวกเราอาจจะไม่รู้อะไรมากนะไม่จําเป็นต้องรู้มากรู้มากยากนานรู้น้อยๆไว้รู้น้อยๆรู้อะไรหายใจออกก็รู้สึกใครใจเข้าก็รู้สึก เห็นร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูแค่นี้ก็พอแล้วต่อไปมันก็เห็นเลร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นตัวทุกข์ไอตัวที่เป็นคนดูก็ไม่ใช่ตัวเราเราสั่งมันไม่ได้เนี่ยเห็นทั้งรูปเห็นทั้งนามไม่เป็นเราละหรือถนัดดูจิตดูใจเราก็เห็นไปเมื่อตาเรามองเห็นจิตเราก็เปลี่ยนเมื่อหูเราได้ยินเสียงขิตเราก็เปลี่ยนสุดท้ายมันก็รู้ทั้งรูปทั้งนาม อย่างการดูดูจิตดูใจนะบางคนบอกว่าดูจิตดูใจแล้วจะทำให้ไม่รู้กายไม่จริงหรอกคนที่เรียนดูจิตดูใจกับหลวงพ่อนะอย่าว่าแต่ตอนตื่นเลยตอนหลับนะเคลื่อนไหวยังไงยังรู้เลยฟลิกซ้ายฟิกขวารู้หมดเลยไม่ใช่ไม่รู้นะรู้ทั้งกายรู้ทั้งใจหรอกไม่มีหรอกกรรมฐานเดี่ยวเดียวมีแต่กายอันเดียวไม่มีใจหรือมีแต่ใจอันเดียวไม่มีกายถ้ามีใจอันเดียวไม่มีกายก็เป็นพวกอรูปประพลุ เป็นพวกอรูปพรมพวกเรายังไม่เป็นเข้าชานไม่เป็นงั้นทํากรรมฐานสักข้อหนึ่งนะขอเวลาวันหนึงสินาทีไม่ขอเยอะขอแค่15นาทีถวายพระพุทธเจ้าไม่ใช่มาถวายหลวงพ่อหรอกหลวงพ่อเอาเวลาของพวกเรามาไม่ได้เราปฏบิบัติบูชาพุทธเจ้าวันหนึ่งสักสินาทีเป็นอย่างน้อยในยวงเล็บไหมนะเป็นอย่างน้อยจะเป็นจะตายก็ขอให้ได้ปฏิบัติอย่างน้อยวันละ15นาที นัดต่อไปมันจะเพิ่มนะเมืเราปฏิบัติแล้วเรามีความสุขขึ้นเนี่ยต่อไปมจะขยันภาวนาวันนึงได้หลายชั่วโมงอัตโนมัติเลยจะสนใจชอบภาวนามันเพิ่มขึ้นเองเริ่มต้นอย่าเอาเยอะเอาเยอ ะ, อยอะแล้วต่อไปจะยิ่งขี้เกียจยิ่งกลัวไม่อยากปฏิบัติเริ่มต้นวันหนึ่งสิบห้านาทียี่สิบนาทีอะไรอย่างนี้แหละทํากรรมฐานแล้วคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปจะได้สติ ได้สมาธิแล้วก็เริ่มเดินปัญญาไปเห็นรูปเห็นนามมันแยกออกไปมันทํางานนะถ้าปัญญาแจ่มแจ้งขึ้นมาในขั้นต้นก็จะเห็นว่าขันห้าไม่ใช่ตัวเราตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่เรารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่เราทัรูปธรรมนามธรรมไม่ใช่เราไม่มีเราในรูปธรรมนามธรรม ท, ทั้งหลายมีแต่ของที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่เตนตัวเราจะเห็นอย่างนี้เห็นด้วยใจ ถ้าเห็นด้วยใจอย่างนี้เราก็ล้างความเห็นผิดในเบื้องต้นได้แล้วละ่ะว่ามีตัวตนถาวร อ, อย่างพวกเราจะรู้สึกว่าเร า, ามีตัวตนถาวรตัวตนของเราถาวร น, นะเราตอนนี้ก็เราตอนเด็กๆก็คนเดิมมีแต่หน้าตามไม่เหมือนเดิมแต่ว่ามีเราคนเดิมอยู่เนี่ยลักษณะของคนซึ่งยังเป็นบุตุชนอยู่ถ้าภาวนาไปจนเห็นนะมีแต่รูปประทามเกิดดับมีแต่นามธรรมเกิดดับวันหนึ่งปัญญามันแจ้งไม่มีเราสักที่หนึ่งเลยมีแต่ของที่เกิดแล้วดับไป ไม่มีอะไรเป็นตัวตนถาวรเลยมันเป็นพระโสดาบันนะถ้าจากนั้นก็ดูความจริงของรูปนามต่อไปอีกก็จะเห็นความจริงที่ลึกซึ้งว่าจริงๆแล้วรูปนี้ก็คือตัวทุกมีแต่ทุกมากกับทุกน้อยไม่ใช่มีทุกกะสุขเละจะเห็นนามธรรมา ท, ทั้งหลายตามความเป็นจริงก็คือมีแต่ทุกทุกมากกับทุกน้อยไม่มีสุขคําว่าสุขนั้นเป็นแค่ความรู้สึกสัมผัสเท่านั้นเองอย่างวันหนึ่งเราเคยถูกเขียนร้อยครั้งนะวันนี้เขาเคียน50บครั้ง ทั้งๆ ท, ที่ถูกเครียดห้าสครั้งก็รู้สึกมีความสุขแล้วเนะี่ยคนไม่เคยถูกเครียดเลยวันนี้ถูกเครียดหครั้งโอ้ยทุกี้กว่าไอ้คนที่เคยถูกเครียดร้อยครั้งแล้วลดลงเหลือห้าสิบอีกเนะี่ยสุขทุกข์มันสัมผัสในใจนะมันเรียกสัมผัสนะความรู้สึกที่จิตมันหลอนขึ้นมาเอาเข้าจริงทั้งหมดนะเป็นของที่ไม่ทนฐานอยู่ได้ชั่วคราวแล้วก็หายไปทั้งสิ้นเลยบังคับไม่ได้เหมือนเหมือนกันนะเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูของจริงนะ วันใดที่แจมแจ้งขึ้นมาแล้วจิตจะปล่อยวางความยึดถือปล่อยกายก่อนมันจะปล่อยกายก่อนนะเพราะมันดูง่ายที่สุดกายเนี่มันจะเห็นได้ง่ายว่าไม่ใช่เราเห็นจิตยากว่าไม่ใช่เรานะยากกว่างั้นอย่างเห็นกายไม่ใช่เราเนี่ยยังไม่ได้เป็นโสดาแตเห็นจิตไม่ใช่เราแล้วถึงจะเป็นพระโสดานะต่อมาก็เห็นกายนี่คือตัวทุกปล่อยวางกายได้นี่คือภูมิธรรมของพระนาคา สุดท้ายจะเห็นว่าจิตนี้คือตัวทุกปล่อยวางจิตได้นี่คือภูมิธรรมพระอรหันต์นันเนไปสิ้นสุดกันที่จิตนี่เองในขั้นโสดาเป็นโสดาขึ้นมาได้พ้นจากความเป็นปุถุชนได้ก็เพราะเห็นว่าจิตนี้ไม่ใช่เราในขั้นสุดท้ายจะบรรลุพระอรหันต์ได้ข้ามวัตตะได้ก็เพราะว่าเห็นจิตนี้คือตัวทุกเนื้อถ้าเห็นเป็นลําดับไปนะแต่ทั้งหมดนี้มันมาจากจุดเริ่มต้น ขอวละสิบห้นาทีเท่านี้แหละเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของพวกเราเองไม่ใช่เพื่อใครคนอื่นเลยพอให้ได้ไหมขอบินทบาตเนี่ยให้ได้ไหมสิบห้านาทีไม่ให้ก็ไม่ว่านะไม่ให้ก็ไม่ว่าหรอกถ้าให้ก็ตั้งใจอนะสิ15้านาทีทํำไมจะทําทไม่ไดไ้วันหนึ่งเล่นอินเทอร์เน็ตมากกว่านี้ใครเล่นเน็ตเกินวละสิบห้นาทียกมือซิ หลวงพ่อว่าพระด้วยนะพระยุคนี้ก็ชอบเล่นเนี่ยถวายพุทธเจ้านะให้ฝึกของเราไปแล้ววันหนึ่งโอ้เราจะมีชีวิตที่มีความสุขเราเห็นความจริงของรูปนามนะปล่อยวางรูปปล่อยวางนามได้มีความสุขมันมหาศาลเลยเวลาแก่ไอตัวทุกข์มันแก่ เวลาเจ็บไอตัวทุกข์มันเจ็บเวลาจะตายไอตัวทุกข์กมันตายสมน้ำหน้ามันนะมันไม่มีคำว่าพลัดพรากจากสิ่งที่รักมันไม่มีคำว่าประสบกับสิ่งที่ไม่รักเพราะมันไม่มีรักมันไม่มีชังนะมันก็เลยไม่มีสิ่งที่รักสิ่งที่ไม่รักนะเนี่ยฝึกจิดฝึกใจนะใจจะเข้าถึงความสุขอันสมบูรณ์เต็มเปี่ยมศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนา ของพวกหมอกโลกไงร้ายสิ่งที่เราได้มาในขั้นสุดท้ายนะั้นคือบรมสุขที่แท้จริงเลยไม่มีอะไรสุขเท่าพระนิพพานสุขในโลกนี้เป็นของโชวคราวเป็นสุขที่ยิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นตลอดเวลาสุขของพระนิพพานไม่ยิงอาศัยอะไรเลยไม่มีอะไรครอบงํนะฝึกเอานะอย่างน้อยชาตินี้ให้ได้โสดาก็ยางดนะีเอาละสมควรแก่เวลานะ เท็มากกว่านี้ก็ไม่ดีแต่น่าสงสารนะบางคนเพิ่งมาเนะพวกเราทยอยมาเรื่อยๆตอนหลวงพ่อเริ่มเทศห้องอย่างว่างๆนี่ห้องแคบเต็มนะเดี๋ยวตอนหลวงพ่อเลิกเท็จก็เต็มพอดีตอนเที่ยงเนี้ยล้นห้องเลยเดินมากินข้าวฟรีหลวงพ่อคะสิได้เห็นสมาธิข่มกิเลสไม่ให้ยอมจิต มานภายในทำงานไม่ได้มานภายนอกก็ไร้ความหมายมเห็นข้อมูลที่ป้อนเข้ามามเป็นระยะระยะไม่มีตัวรับเอาไปปรุงแต่ง<ม>ก็แตกสลายไป<ม>เข้าสู่ใจไม่ได้เลย<ม>การจัดฉากในชีวิตจริง<ม>เพื่อป้อนข้อมูลให้ร้ใครต่อใครก็ไร้ผลการกระนำก่อควรให้เกิดโทรศัพท์ทำลายความเมตตา กับมีผลเป็นการเตือนให้รู้สึกตัวการขค่มรคู่แสดงหลักฐานในวีดีโอกับก่อให้เกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าและความเมตตาของครูบาอาจารย์ จิตห้าวหารที่จะปฏิบัติถวายสิทธิ์ขอใช้การเห็นสภาวธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องบูชาเพื่อขอขอมาหลวงพ่ อ, อในทุกความผิดที่สิทธ์ได้กระทำค่ะาทุไปดูตัวนี้นะเราไม่แต่งเอาเราไม่รักษาไว้น ะ, ะรู้อย่างที่เป็นขณะนี้รักษาไหมรักษาหลวงพ่อหมายถึงรักษาอะไรรักษาจิต ใช่ค่ะใช่ค่ะตอนนี้ออตอนนี้สิทธิ์ยังคือคือสิทธิ์สองเดือนที่ผ่านมาสิทธิ์เฉียดตายไปสองครั้งแล้วสิทธิออ์สู้กับมันอยู่ออไปสู้มันทำไมล่ะค่ะติดซาบค่ะแต่ว่ามันกำลังไปสู้มันออมั น, ม, น, ม, นมันทาให้รู้ทันนะตัวนี้แหละทำให้เรามันชนเพดานต้ อ, อปล่อยไปใช่ไหมคะปล่อย คือจริงๆริงสิธ์ไม่ได้กลัวมันนะค่ะสิทธิ์ขอถามหลวงพ่อสิทธ์ไม่ได้กลัวตายหรอกสิทธ์กลัวไม่ดีฝ่าข้าศิลป์ไม่ได้กลัวมารค่ะสิทธ์ไม่ได้กลัวมารใช่ไหมหรือว่าสิทธิ์ว่าสิทธิ์ไม่ได้กลัวนะคะค่ะหลวงพ่อไม่กลัวมารเหรอมารมีทั้งห้าตัวนะมารตัวหนึ่งคือกิเลสพยายามจะสู้กับกิเลสไหมพยายามค่ะนี่แหละพวกกลัวมาร เห็นแล้วค่ะเห็นแล้วหลวงพ่อค่ะสีขอถามหลวงพ่อนะคะคือถ้าคือขณะเนี้ยจิตมีแรงพอที่จะฝึกวิชาที่หลวงพ่อสอนต่อไปได้หรือยังค่ะคือแยกรูปนามชำนิชำนานแล้วนะไม่รักษาตัวรู้ไว้ดูขันทั้งห้าเนี่ยเขาทำงานเหมือนดูคนอื่นไปเรื่อยๆถ้ามันฟุ้งซ่านก็ทำความสงบเข้ามา พอมีเรีวมีแรงแล้วก็กลับไปดูขนันนะทาเออต้องอย่างนั้นไปปะครองไว้คือสิทธิ์ใช่ค่ะสิทธิ์เห็นพลังมารเนี่ยมันเข้ามาทางจมูกแต่ถูกคับไล่ออกไปทางผิวหนังเนี่ยถ้าใช้พลังลมปราณจะเป็นการยิ่งนำพลังมารเข้ามาไหมคะคือถ้าใจมีสมาธิเนี่ยพลังที่ไม่ดีจะมาไม่ได้นะ งั้นรักษาใจอันเดียวเลยให้รักษาใจเดียอันอื่นช่างมันนะคะอันอื่นนี่จะกระเด็นไปเองมันจะกระเด็นไปเองอค่ะสิทธิ์อ๋องั้นสิทธิ์ไม่ต้องถามคําถามต่อไปขออันนี้ค่ะขอทราบความจริงจากหลวงพ่อเพราะว่าสิทธิ์โดนโดนมาเยอะคือการภาวนาที่สรีระเปลี่ยนแปลงนะคะที่ทําให้สรีระมันข้ามภพข้ามชาติได้มันมีไนยะสําคัญยังไงคะ ไม่เข้าใจรอนนางไงสรีล่าเลี่ยน่าอย่างเช่นการกระดูกเปลี่ยนผมเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ<อ>สิที่เขาว่าเป็นพระาธาตุใช่ไ้ยอะไรอย่างนั้นนะค ะ, ะแล้วก็มันมีอันนี้มีในยง่สำคัญยังไงคะตัวพระบรมสารีริกธาตุนะที่รัฐบาลอังกฤษถวายและการที่ห้ามมาเป็นกระดูะไม่ได้เป็นแก้ว นะครูบาอาจารย์ท่านสอนมาว่าตั้งแต่โซดาขึ้นไปก็เริ่มเป็นพระทาตแล้วนะแล้วก็คนทรงชาญจริงๆก็เป็นมันเป็นเรื่องอำนาจของสมาธิแค่แค่เป็นอำนาจของสมาธิแต่แต่เกี่ยวกับลักขณูปนิชานหรืออารามณุปนิชฌามไหมคะไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมคะไม่เกี่ยวเลยค่ะ ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ผ่านหลวงพ่อออกมาที่ว่ามักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีปรารรความเพียรเจริญสติสมาธิปัญญาแล้วจะเห็นกความไม่เนิ่นช้าเป็นธรรมที่สิทธิ์ได้ถือปฏิบัติกําลังปฏิบัติ<ม>และจะปฏิบัติถวายหลวงพ่อ<ม>เพื่อทดแทนพระคุณพระพุทธเจ้า<ม>หลวงพ่อ<ม><ม>และพลังที่มาช่วยสิทธิ์ในยามขับข<ม>ันเสมอ และขอให้คณะผู้ติดตามและผู้ช่วยงานหลวงพอ่อรวมทั้งคณะผู้จัดงานนี้มีส่วนได้รับผลบุญ<ม>อันเกิดจากการกระทำอันเป็นกุศลนี้โดยทั่วหน้าทุทกทุกท่านด้วยค่ะอาสาทูเรื่องพระาธาตุนะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกใครจะเป็นพระาธาตุนะไม่สำคัญหรอกนะสำคัญว่าเรามีกิเลสหรือเปล่าตัวนี้สาคัญกว่า ที่ไปตื่นของเป็นวัตถุเป็นแค่วัตถุถามว่าพระท่านมีจริงๆไหมมีกระดูกเส้นผมอะไรเนื้นอหนังรังสาแปลเป็นพระท่านได้ไหมแปลโดยเฉพาะถ้าได้ลักขณูปนิชานะม่เป็นเร็วแต่ต้องมีความสะอาดของจิตพอนะในขณะที่กิเลส แรงๆเกิดขึ้นนะร่างกายจะผลิตสารเคมีที่ไม่ดีออกมาในขณะที่จิตใจเบิกบานผ่องใสนะร่างกายมันสะอาดขึ้นนะค่อยๆฟอกแต่ก็ใช้เวลาค่ะงั้นเราอย่าไปหลงกับของพวกนี้เยอะเอาไปเป็นเครื่องศรัทธาได้อย่างคนชอบเอาพระาธาตุมาให้หลวงพ่อนะหลวงพ่อได้มาก็แจกแจกไปส่วนใหญ่ ถามว่าเชื่อไหมว่าเป็นพระาธาตุของพระพุทธเจ้าอุ้ยพระพุทธเจ้าต้องใหญ่กว่าหลวงพระโตวัดอินะ น, นนี่นะพระธาตุถึงเยอะขนาดนั้นอ่ะเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยแต่หลวงพ่อกราบไหว้ไหมกราบเพระอะไรก็กราบในฐานะเหมือนพระพุทธรูปองค์หนึ่งอะ่ะล้วก็กราบได้เนี่ยเรานึกถึงท่านอะ่ะก็เป็นมงคลแก่ชีวิตเราละอ่ะต่อไป อย่าไปดูถูกพระาธาตุนะพระทานมีจริงๆนะเดี๋ยวเลยเลิกนับถือพระาธาตุไม่ได้นะแต่ว่าอย่า ง, งมงายนะครับกราบนมรส ก, การหลวงพ่อปราโมทครับต่อจากสี่เดือนที่แล้วนะครับก็ผมก็เริ่มดูในจิตในใจมาเรื่อยๆนะครับมีสภาวะเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะครับติดขัดบ้างเล็กน้อยนะครับ อย่างมีสภาวะหนึ่งที่เห็นจิตออกไปเป็นลูกโลกอะไปงับไล่ตามความความคิดนะฮะเห็นครั้งที่สองก็ไปแต่พอครั้งที่สามพอรู้ว่าจะไปเขาก็ไม่ไปอย่างเงี้ยครับแล้วก็หลังจากนั้นมาก็รู้สึกว่าจะเหมือนกับที่หลวงพ่อเทศในซีดีก็คือความรู้เขาเริ่มขยายตัวออกมาหน่อยหนึ่งอะแล้วก็ถูกแล้วครับ แล้วประมาณสักอาทิตย์นึงเนี่ยผมก็มาติดตัวที่ว่ารู้เป็นเราพอรู้เสร็จปุ๊บเขาก็คลายออกแต่ทีนี้ผมก็ไปทําผิดนะฮะผมก็เลยไปจ้องตัวรู้ไปไหนอเอยเออถ้าจ้องตัวรู้ว่าผิดครับแล้วก็เพิ่งหลุดเมื่อเช้านี้ครับหลว่อครับแล้วก็อยากถามว่าการบ้านที่ผมได้ก็คือหลวงพ่อให้ทำกรรมาฐาน อันใดอันหนึ่งให้เด็ดเดี่ยวอย่างเงี้ยไม่ทราบว่าของผมนี่ต้องเด็ดเดี่ยวเพิ่มขึ้นอีกเยอะไหมครับให้เด็ดเดี่ยวก็คืออย่าทะเลทลายวันวันไปเล่นสมดอย่างเงี้นะครับถ้าหากวันวันเราฝึกสติไปมันเร่งมากกว่านั้นไม่ได้ละเรารู้สึกอยู่แต่ละขณะขณะเร่งมากกว่านั้นก็ผิดอีก แต่ว่าอย่าปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสไปวันๆเพลินๆไปหมดไปวันหมดไปคืนนะที่ฝึก อ, อยู่ใช้ได้นะจิตใจเปลี่ยนไปเยอะและ้วส่วนกรรมฐานที่ผมทำดูในกายบ้างดูในใจบ้างอะไรอย่างนี้นี่ถูกแล้วถูกคุครับก็ตลอดทั้งปีวันนี้ผมก็ปฏิบัติภาวนามาดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้ทอดทุระครับ ด้วยการกล่าวสัจวาจานี้นะครับขอให้สุขภาพของหลวงพ่อธาตุขันของหลวงพ่อแข็งแรงครับสาธุหลวงพ่อต้องแข็งแรงมากเลยวันนี้ลูกศิษย์เวรวยพรเยอะก <c oughs> ราบหลวงพ่อคะ่ะชอบนั่งสมาธิอะคะ่ะอยากจะทราบเป็นสมาธิที่ถูกต้องไหม <c oughs> ที่ทุกวันนี้ปฏิบัติหรือเป่าลองนั่งให้ดูสิ เวลาตั้งสมาธินะอย่าไปน้อมใจให้สงบถ้าน้อมใจให้สงบแล้วโมหะจะแทรกจะซึมมันจะมัวมัวเคลิมเคลิมไปนั่งสมาธินั่งด้วยความรู้สึกตัวอย่างเรานั่งหายใจไปเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูแต่ถ้าเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูใจยังแกว่งไปแกว่งมาเรารู้ว่าใจแกว่นไปแกว่งมาไม่บังคับให้นิ่งแค่รู้ว่ามันแกวง่งนั่งแล้วก็คอยรู้ทันจิตไปเรื่อแล้วสมาธิแท้จริงมันจะเกิด ส่วนที่พยายามทำนั้นเป็นสมาธิชนิดไปเพ่งนะเป็นน้อมใจให้สงบนั่นปรับวิธีทำสมาธิสนะเม่งั้นโมหามจะแทร่รู้สึกไหมนั่งเสร็จแล้วจะซึมะจะออกมาจะเป็นนี้ดูออกไหมเนี่ยหลวาพ่บิวข้างในให้เหมือนเลย <laughs> <laughs> อย่ารักษาจิตคนะแค่มีสติไปด้วย เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูเห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นใจเป็นคนดูเห็นดีชั่วเกิดขึ้นใจเป็นคนดูครับขับพุธจังหวะขับการนวัสการผมวงพ่ประโมทครับครับที่ผมปฏิบัติมามันจะมีความรู้สึกว่าเหมือนกับเห็นร่างกายมันลักษณะเป็นการกระพริบที่มันเหมือนกับไฟที่มันปิดเปิดปิดเปิดอยู่เตอนนั่นแหละ มันเห็นรูปเกิดดับได้นะครับก็กลับว่าไม่ไม่ทราบว่าที่ปฏิบัติถูกถูกไหมทีม่เห็นแม่มันไม่ใช่เราครับมันกระพริบของมันเองครับดูในมุมนี้นะครับไม่ใช่เราหรอกมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเปลี่ยนแปลงดูอย่างนี้บ่อยๆครับอยากจะขอวิหารธรรมต่อไปครับอลวงพอเราดูอย่างนี้ได้เราก็ดูไปสนะิเราก็ดูอยู่ในกายนี่แหละใช้กายเนี้เป็นวิหานธรรมครับ ขอบคุณครั บ, ร บ, รบจัาทรมาสักการครับหลวงพอ่ออืจริงๆแล้วผมก็ <laughs> ไม่ทราบว่าจะส่งกันบ้านอะไรแต่ก็อยากจะมาอ่าฟังหลวงพ่อใกล้ๆโอครั้ส<อ> <laughs> งนั้นไม่ใกล้หรอกต้องมานั่งนี่ <laughs> ครับไม่ทราบว่าตอนนี้ผมยังอยู่ในร่องในรออยยังไหมครับอยู่นะแต่แรงมันยังไม่พอครับ าทำในรูปแบบด้วยรักษาสีหน้าให้ดีทำในรูปแบบไปด้วยกำลังมันจะมากขึ้นแต่จะเข้มแข็งมีแรงรตอนนี้แรงยังไม่ค่อยพอยังยัง้อแปรไปหน่อยดูออกบ่าก็พอจะดูออกเหมือนค่ยๆยังสบายๆอะไรเงี้ยมันยังไม่ห้าวหาัน ฝึกของเราบ่อยๆนะแบ่งเวลาทําในรูปแบบไป เ, เรื่อยๆตั้งใจรักษาศีลห้านพลังของเราจะเพิ่มพลังจิตจะเพิ่มขึ้นข้างหลังเนี่ยมีพระธาตุนะมีพระธาตุจริงๆนะในพระเจดีย์นี้ข้างหลังแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาล้มนับถือเยอะนะซึงหลวงพ่อประเทศเรื่องพระธาตุเนี่ยบางทีเทวดาไม่สบายใจ ต้องแก้ข่าวนะเพราะถ้าจริงๆก็มีนะไม่ใช่ไม่มีกลับไหว้ก็เป็นบุญนะเป็นบุญนะขึ้นสวรรค์ได้อย่างพระพุทธเจ้าท่านสอนบอกว่ากระดูกพระทหารนะกระดูกพระเจ้าจากักรพรรดิเลเนะี่ยสมควรแก่สถูกสมควรแก่เจดีย์สร้างใส่เจดีย์ไว้บนทางสีแพร่งทำไมต้องสีแพร่ง เพื่อคนมาจากทุกทิศ ท, ทางได้เห็นได้กราบไหว้ได้เห็นได้กราบไหว้เป็นบุญนะได้ขึ้นสวรรค์นั้นไม่ใช่เรางมไงเรื่องพระธาตุแต่ก็ไม่ได้ปรามาสเรื่องพระธาตุพระท่านอย่างน้อยก็เป็นสั ญ, ญลักษณ์ของท่านผู้มีคุณงามความดีไม่ใช่ว่าหมูหมามันก็เป็นซะที่ไหน่ะแต่ว่าต่อไปอะ มันจะมีคนทําพระาธาตุขึ้นมาเยอะแยะแล้วตอนนี้มันเผาขึ้นมาได้แล้วเผาที่อุณหภูมิ 2,000 เซลเซียสใครอยากเป็นพระาธาตุบ้างไปจ่ายตังเข้าสั่งลูกหลานไว้นะถตาเผาออกมาก็เป็นจริงๆนะแต่ท่านเหล่านี้ท่านไม่ได้ไม่ได้เจตนาทำขึ้นมาธาตุขันมันเปลี่ยนของมันเองงั้ก็เป็นสั ญ, ญลักษณ์เป็นเครื่องเตือนให้เราเห็นแต่ก่อนกระดูกท่านก็เหมือนกระดูกเรานะคุณงามความดีของท่านมี ท่านยังเปลี่ยนได้กระทั่งวัตถุวัตถุก็เปลี่ยนนะเดี๋ยวพวกเราพอนาพอเราตื่นขึ้นมารู้สึกไหมหน้าตาเราไม่เหมือนเดิมหน้าตาเราผ่องใสกว่าคนทั่วๆไปใครดูตัวเองออกบ้างหน้าตาเราจะไม่เหมือนคนทั่วไปนะคนทั่วไปคล้ายๆอะไรหน้าดูไม่ได้อ่ะหน้ามืดๆมัวๆหน้าเหมือนบัวเหมือนกไยอะไรเงี้ยนะมันดำดำ มันไม่แจ่มใสของเราหน้าเหมือนชนีหน้าขาวหน่อยอว่ามาการสสกาบนัมราชาัต์หลวงพ่อเจ้าค่ะลูกอยากทราบว่าลูกภาวนาเป็นหรื อ, อยังเจ้าค่ะโอ้ก็ดีกว่าแต่ก่อนเยอะแล้วล่ะค่ัขอพระคุณเจ้าค่ะเมื่อก่อนไม่ได้เรื่องอเลยเจ้าค่ะเห็นหน้าขันมันแยกได้ ขันแต่ละขันก็ทํางานเปลี่ยนแปลงตลอดวันตลอดคืนเจขันแต่ละขันไม่ใช่ตัวเราเจ้า ต, ตัวอย่างนี้ไปเรื่อยๆเยจ้าค่ะดีขึ้นแล้วละ่ะใช่ได้กลับขอบพระคุณเจ้าค่ะกลับขอบพระคุณในพระกรุณามหาที่คุณของพระพุทธองค์กลับขอบพระคุณหลวงพ่อครูบาอาจารย์เจ้าค่ะอืสาธุนะ จะขอปฏิบัติเพื่อทดแทนบุญคุณเจ้าค่ะเออดีดีแล้วล่ะชาวพุทธไม่ปฏิบัติแล้วใครจะปฏิบัติเนาะเจ้าค่ะชาวพุทธได้ปฏิบัติไหมพอเราเข้าใจแล้วเราบอกต่อแล้รักษาสืบทอดพระศาสนาไว้คว่ า, าพระพุทธเจ้าจะค้นพบมานะยากเย็นแสนเข็นนะเจาะเราจะมาปล่อยทิ้งไปเรื่อยๆก็แย่เหมือนกันเจ้าค่ะช่วยกันรักษาไว้เจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ หนูกราบหลวงพ่อเจ้าค่ะอยากให้หลวงพ่อสอนดูสภาวะเจ้าค่ะให้หลวงพ่อทําำไรนะสอนหนูดูสภาวะค่ะอ๋อสอนดูสภาวะเหรอดูสภาวะอันไหนเดียเห็นไหมระหว่างที่รอเนี่ยใจกระวนกระวายไหมเจ้าค่ะเนี่ยรู้ทันความกระวนกระวายนี่ก็เรียกว่าเห็นสภาวะแล้นะใจเรามีความสุขใจเรามีความทุกข์ใจเราสงบใจเราฟุ้งซ่าน ร, รู้อย่างที่มนันเป็นนั่นก็คือการเห็นสภาวะ นะสภาวะของนา ม, มาธรรมเห็นง่ายสภาวะของรูปแท้ๆเห็นยากอย่างสิ่งที่เป็นรูปแท้ๆนั้นรูปดินรูปน้ำรูปไฟรูปลมเลยเนี่ยเห็นยากมากเลยถ้าไม่ทรงฌานจริงๆไม่เห็นนะแต่สภาวะที่เป็นนา ม, มาธรรมเนี่ยง่ายๆสาหรับคนซึ่งไม่ได้ทรงฌานอะไรคนปกติเนีย่ยตอนนี้งงไหมเนี่ยความงงเกิดขึ้นรู้ว่างงเนี่ยเห็นสภาวะ รู้เท่าทันสภาวะที่กําลังเกิดขึ้นสดๆร้อนๆในใจเราไม่ใช่รู้เพื่อเอาดีไม่ใช่รู้เพื่อเอาฉลาดอะไรหรอกรู้เพื่อให้เห็นว่าสภาวะทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับไปสภาวะทั้งหลายบังคับไม่ได้ต้องการแค่นี้เองใจหนีไปคิดหรื อ, อยังเนี่ยใจหนีไปคิดก็คือใจฟุ้งซ่านนี่ก็คือการรู้ทันใจที่หนีไปคิดก็คือรู้ทันใจที่ฟุ้งซ่านเนี่เห็นสภาวะ ไม่ยากหรอกอ ด, ดูสภาวะแล้วสภาวะจะสอนธรรมะเราไปดูบ่อยๆไปช่างสงสัยเกินไปเวลาจิตสงสัยขึ้นมาให้รู้ทันว่าจิตสงสัยนะแล้วหนูจะได้เห็นเลยความสงสัยเกิดได้เองพอเรารู้ทันมันก็ดับของมันเองมีแต่ของเกิดแล้วดับมีแต่ของบังคับไม่ได้ช่างคิดไหมหน่าจะช่างคิดเนาะอ ะ, อะตับไป กรธรรมสการหลวงพ่อคะ่ะดิฉันเป็นผู้รู้น้อยปฏิบัติน้อยแต่วันนี้ตัดสินใจมาถามคําถามเพราะ่าอยากให้หลวงพ่อแนะนํามากกว่าอพอดีอยู่ห่างไกลคูบาจารย์กวนเพิ่งฟังหลวงพ่อมาได้ประมาณจริงจจังๆประมาณสองเดือนและปฏิบัติในรูปแบบบ้างแต่ไม่ได้ปฏิบัติต ล, ล, ลอด เ, เห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองบ้างมไหมเห็นว่าทุกน้อยลงคะ่ะเราไม่ได้ฝึกเพื่อเอาทุกน้อยลงนะ เราฝึกเอาความจริงให้เห็นความจริงของกายให้เห็นความจริงของใจมากๆถึงจุดหนึ่งไม่ทุกเลยแต่ถ้าจะฝึกแล้วทุกน้อยลงแล้วเราพอใจเราก็จะอยู่แค่นี้เองเมื่อเราดูความจริงของกายของใจให้มากๆนะค่ะแล้วชีวิตจะดีขึ้นดีขึ้นมีคําถามว่าพอดีพอดีมีถ้าเกิดมีความคิดขึ้นมาเนี่ยจะไปแปะป้ายให้มันเนี่ยค่ะจะมีะ ม, มันเคยชิ้ที่จะแปะป้ายห้ามไม่ได้ กว่าจะยอมรู้สภาวะโดยไม่ไปใส่ชื่อให้มันเนี่ยใช้เวลาตั้งหลายปีในการฝึกนะเพราะนานๆกว่ามันจะเลิกพูดมันพูดจ้อยๆเลยนะ <หา S 1> โกรธขึ้มา<ช>อ น, นี้โกรธละอะไรเงี้ย<ช>ห้าม <หา S 1> ไม่ได้หรอกดูไปเรื่อยๆแล้วนานๆไปมันก็ไม่พูดละมีอีกคำถามหนึ่งเราดูกา ย, ยจะเห็นว่า บางทีก็ไม่ใช่เราแต่บางทีกยังติดยึดอยู่เออห้ามไม่ได้นะตรงที่เห็นว่าไม่ใช่เรากับตรงที่ยึดถือเนี่ยนะโคลา ร, ระดับกันนะพระโสดาเนี่ยเห็นแล้วกายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราแต่ก็ยึดถือกายยึดถือใจนะจะไปปล่อยกายได้ไม่ยึดถือกายต้องพระนาคาจะไปปล่อยไม่ยึดถือจิตใจได้ต้องพระรหันต์นะระหว่างความเห็นกับความยึดเนี่ยเป็นองค์ธรรมโคราแบบกัน ความเห็นเนะี่ยเราเป็นความเห็นที่เราสะสมมาเห็นว่ากายนี้เป็นเราใจนี้เป็นเราพระโสดาล้างความเห็นผิดนี้แล้วแต่อยังยืดถืออยู่มันคล้ายๆอย่างนี้คล้ายๆท่านไปยืมแหวนเพชรไข่เข้ามาสักวงหนึ่งนะใช้มานานแล้วนึกว่าของตัวเองวันหนึ่งเจ้าของมาทวงนึกขึ้นได้ก็ไม่ใช่ของเราหรอกแต่จะคืนเขาก็เสียดายเนะี่ยทาวาของพระโสดานะเห็นแล้วล่ะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราแต่จะคืนเขาก็ยังเสียดายอยู่ งั้นเป็นสภาวะคนละระดับกันนะระหว่างการเห็นผิดกับความยึดถือดืมถามไปว่าเวลาเดินจงกรมเนี่จะรู้สึกตัวเองเป็นคนเครียดบ่อยก็เลยจะเดินให้รู้สึกว่าผ่อนคลายที่สุดออก็รู้สึกว่าเริ่มต้นนะต้องยิ้มก่อนนะจะทําทอะไรก็ยิ้มไว้ก่อนนะยิ้มหวานหวานยิ้มให้ใจมันยิ้มจริงๆนะใจมันมีความสุขขึ้นมาแล้วก็ค่อยภาวนาไปภาวนาไปด้วยใจที่มีความสุข ก็ขอกราบขอพระคุณคุณพระธรรมพระพุทธพระสงฆ์แล้วก็ทีมงานของดัมมะดอทซึ่งทําให้คนไกลสามารถได้รับฟังธรรมะขอบคุณมากคะ่ะตามนิมัสการหลวงพ่อครับผมส่งการบ้านครั้งที่แล้วนะครับก็หลวงพ่อบอกว่าจิตกระจายออกข้างนอกแล้วก็เพลินๆไปครับแล้วก็ผมได้กลับไปดูครับเห็นครับก็เ <laughs> จอเยอะมากแล้วก็บ่อยแล้วก็ผมรู้สึกว่าจิตเขาชอบด้วยครับ ครับกที่เรารู้ทันรู้สึกไม้มจิตใจมันจะตื่นขึ้นมาครับจิตใจมันเข้าสู่ภาวะแห่งความตื่นแล้วจิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวนั้นรู้ทันต่อไปนะรู้ทันต่อไปที่จิตมันออกนอกจิตมไหลไปเรารู้ไหลเรารู้ฝึกให้มากเลยต่อไปก็จะเห็ น, หนกายก็ส่วนหนึ่งใจก็ส่วนหนึ่งสุขทุกข์ดีชั่วก็แยกออกไปสุดท้ายก็จะเห็นว่าไม่มีเราสุดท้ายก็จะเห็นว่าที่มีนั้นมีแต่ทุกข์ เนี่ยความรู้ความเข้าใจไม่เป็นลำดับไปไปทําต่อไปต้องมีอะไรเพิ่มเติมพิเศษไหมครับหลวงพ่อทำใจให้ให้เด็ดเดียวนะปฏิบัติไม่เลิกครับพ่อถวายเป็นปฏิบัติบูชาสาธุการนมัสการหลวงพ่อครับอผมขอฝากตัวเป็นสิทธิ์ยั ง, ยงเป็นทางการเพราะว่าฟังหลวงพ่อมา ก, ก็หลายปีแล้วนะทุกสิทธิ์หลวงพ่อเนี่ยไม่มียื่นใบสมัคร ไม่ต้องมีคนรับรองนะครับคือผมแน่ขอประชาชนไม่ต้องคมขอเป็นตัวแทนของลูกศิษย์ฝั่งขี้เกียจแล้กันนะครับเมื่อไหร่ก็ตามขยันรู้สึกขยันจะปฏิบัติขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จะเข้าไปเหมือนคลายกับจิตมันจะไปจ้องจ้องแล้วก็จะเครียดครับอาจารย์ก็เลยเหมือนพยายามที่จะปฏิบัติแบบเล่นๆไปแต่ไม่รู้เล่นเยอะไปหรือเปล่าครับไม่ได้เยอะไปนะเพราะว่ามันดีขึ้นถ้ามันไม่ถูกต้องมันก็ไม่เจริญหรอก ช่วงนี้มันเจริญขึ้นได้ก็ใช้ได้แล้วเราสังเกตไหมว่ากายกับใจมันแยกกันแยกกันได้เป็นบางครั้งถูกละวแล้วสังเกตไหมว่าสุขทุกข์ดีชั่วมันแยกออกไปได้มันก็เป็นคราวๆเป็นเป็นคราวๆเหมือนกันให้ฝึกนะต่อไปมันไม่มารวมกันเลยขันก็ส่วนขันนะจิตก็ส่วนจิตไม่มารวมกันเลยนะไม่ได้รักษาด้วยเพราะฉั้นไม่กลัวกิเลสออกกิเลสไม่มีกิเลสมาไม่ได้ มาไม่ถึงจิตแต่ครั้งที่แล้วก็แพ้รล่าคาบครับ <c oughs> พึง <c oughs> พ่งกลับมาตั้งตัวได้ครับแพ้มันก็เรื่องปกตินะกว่าจะชนะก็ต้องแพ้มา ก, ก่อนแหละแพ่แล้วแพ้อีกนะไม่เป็นไ ร, รแต่ว่าไม่เลิกสู้ไปด้วยวันนึงก็ชนะครับผมต้องมีอะไรปรปับปรุงหรือว่าทำให้สม่ำเสมอครับนะทำได้ดีละวขอบคุณครับ จริงๆเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อนะหลวงพ่อให้ความเท่าเทียมกันหมดนะเวลาเรียนเนี่ยไม่มีสิทธิเอกสิทธโทสิทธจัตรวาเหมือนเหมืๆกันหมดอลยไม่ต้องยื่นใบสมัครหรอกค่ะค่ะสิทธ์ทั้งหลายต้องขอกร่มกราบขอพระคุณพระอาจารย์ค่ะที่ได้ช่วยแนะนําในสิ่งที่ได้ปฏิบัติกันซึ่งทุกคนอยากสู่ทิศทางที่ถูกต้อง